หนิวข้าวเนี่ยเวลากินแล้วจะอร่อยเวลาง่วงนอนแล้วก็จะมีความสุขเวลาทำมาสวดมนต์เน่ถ้าหาาใจใจดีใจอย่างที่เราปรับติฏฐิตอนเช้าให้ไปเดินจงกรมเดินจงกรมแล้วมันจะได้อารมณ์สมาธิจะเริ่มมีใจก็สว่างสวัยขึ้นมาพอมันตื่นตัวมาสวดมนต์ แม้ส่วนบนเนน้อยอย่างวันเนี้ยบทพิเศษตัวนั้นตัวนี้ได้ถ้าจิตมันหิวธรรมะนะคือมันหิวธรรมะนีนตั้งแต่มันเกิดศรัทธาเกิดปิติขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความใคร่ต่อการศึกษานะมีความใคร่ต่อการศึกษาคืออยากรู้อยากเรียนอยากทําความเข้าใจเหมือนเรามีสมาธิแล้วเราก็ ให้อารมณ์ตัวเองหรือว่านิมนต์พระพุทธองค์มาให้อารมณ์คือบทสวดบทใดบทหนึ่งอย่างนี้ไม่จะในน้อ ย, อยแต่มันก็จะทําให้เราเข้าใจอะไรสักอย่างขึ้นมาคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าการมองโลกตามความเป็นจริงเนี่ยเมื่อใดที่จิตมันปรับความสมดุลความปกติอยู่ในภาะวะปกติได้ความรู้แบบว่างๆโลง่ลงๆมันจะปรากฏเกิดขึ้นนะ แต่ว่าเวลาเราท่านทั้งหลายมานั่งฟังเนี่ยบางทีไม่ค่อยได้ปรับตัวเองเห็นความสำคัญของการที่จะปรับศรัทธาปรับจิตตัวเองให้อยู่อย่างมีสมาธิในการฟังบางทีเราก็มาง่วงซะเนี่ยนั่งสลึมสลือซะ นั้นความเข้าใจมันจึงไม่ปรากฏเกิดขึ้นเขาใช้คำว่ามันไม่มีความแยบขายคือความแยบขายมันไม่พอมันน้อยไปพอเรามาสร้างตัว น, นี้พ่อเดินจุกมักมากหน่อยตอนเช้าเนี่ยที่สามครึ่งทีสี่ทีสี่ครึ่งเนี่ยเราจะง่วงเหงาสลืมสลือพอมานั่งทํานี้เราก็พักกันหลับกันฟังบ้างสลืมสลือบ้างจึงถึงแม้พระพุทธองค์จะเสด็จมาให้อารมณ์ อย่างที่เราสวดบทพิเศษเนี๋ยวนมันก็ไม่มีความซาบซึ้งอะไรไม่มีอะไรปรากฏขึ้นว่ามันมีเข้าใจอันนั้นไปนะเข้าใจอันนี้เพิ่มเติมไปจากที่เราเรียนรู้มามันเหมือนเราจุดไฟเผาไม้มันไม่กินไม้ให้จุดยังไงมันก็ไม่ไหม้จุดนี้มันก็ไม่ไหม้มันไม่ไหม้ขอนไม่ไหม้ไม้บางคนเวลาให้อารมณ์ หรือฟังพระธรรมพระพุทธเจ้าสวดเบิดด่์ใดเบดหนึ่งเนี่ยจิตมันตื่นโปร่งสว่างเลยดิเหมือนจุดไฟแล้วมันติดได้คือมันต้องโยนิสูรหรือมีความใคร่ในธรรมเห็นประโยชน์ของธรรมะจริงๆนะไฟจึงจะติดแค่ๆว่ามันรอเชื้ออยู่แล้วพอเราทิ้งเสร็จขยะเข้าไปปุ๊ลุกโผลงขึ้นทันทีเกิดความสว่าง เชื้อก็หมดไม่ไปทันทีใจคนก็เป็นแบบนั้นแหละแล้วอยากให้มีภาวะเป็นแบบนั้นปรากฏเกิดขึ้นกับจิตเราเวลาเราทําเนี่ยต้องอาศัยความไม่ได้หมายวา่าจะมันทาเล่นๆแล้วก็เดี๋ยวไปเดินจู ก, กลมมาหรอกเดี๋ก็หายง่วงถ้าเป็นอย่างนี้ในปัญญาเรายังไม่เกิดขึ้นสักทีเราไม่ได้ปัญญากับเขาทําหลายครั้งก็ไม่มีอะไรปรากฏเกิดขึ้นเพราะความเย่อหยิ่เราไม่มี คือมันต้องใส่ใจจริงๆนะไอันนี้วางรูปรสกลิ่นเสียงความโลภไม่ค่อยมีออยู่ไม่ค่อยคิดอะไรความโกรธความหลงไม่ค่อยมีแต่พอมีความคิดความม่วงเหงาสลุมสลือที่มันแฝงตัวเข้ามาเนี่ยไม่ทันมันแล้วไหลคือถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้จะเอาปัญญามาจากไหนอนะเราไม่ฝืนตัวเองเป็น ทีนี้ตัวอื่นก็จะตามมาล่ะอ้าไม่ทนต่อกันถ้าหลงบ่อยๆหลงบ่อยๆหลงบ่อยๆเนี่ยมันจะสะสมตัวทุกตัวเลยมีความหลงบ่อยเข้าบ่อเข้ า, า, ขาก็จะตัวที่จะโชว์ขึ้นมามากขึ้นตัวมานะตัวทิฏฐิมานะเนี่ยเวลาเราเรียนจุกรมบางทีเราไม่รู้นะบางทีมันติคนอื่นติคนนั้นคนนี้ไอตัวนั้นคือเวลาเรา เดินจูงเราไม่ง่วงก็จริงอ่ะแต่มันหลงเข้าไปอยู่ในอารมณ์หลงเข้าไปหลงเข้าไปมาเข้ามาเข้ า, าเข้ากลายเป็นมานะความมานะเนี่ยเกิดมาจากตัวโทสะนี่แหละแต่มันสะสมเวลาเราเดินไปมันเริ่มหาเหตุนะผลนัน่นเหตนะผลคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ใส่ข้อมูลนี้เลยเราไม่ตัด ท, ทิ้งไงแทนที่เราจะรู้วิธีชำระล้างใจเรามันไม่เป็นหง ะจิตมันก็ไปมองไปทางคนอื่นเราไม่รู้ยิ่งแต่ว่าที่คงบางคนที่เคยเป็นคนคนสอนคนเนี่ยคนชอบสอนคนไอ้ตัวสอนคนมันก็จะมาแต่อยู่ในรูปแบบของธรรมะทําไมคนนั้นไม่สั้นโดดคนนี้ทําไมเป็นอย่างนั้นมันจะเริ่มมานะ่ะหาเหตุหาผลแล้วมันก็ไปค้างอยู่ในใจเพราะนิสัยเราเคยเป็นแบบนั้นเราไม่รู้ ไม่รู้รู้เท่าทันมันไม่ได้สติสัมปชัญญะมันน้อยไปบางทีเราไม่ค่อยเห็นมันที่มันจะแสดงองเนี่ยมันมือนควบคุมได้แต่บางทีเวลาเราไปทําการทํางานทําน้นทำนี่มันจะเริ่มติคนนั้นทำไมไม่ทํำคนนี้มันไม่ทํากูชังขี้หน้ามันยังมาสั่งการกูนคือมันจะเริ่มฟุ้งขึ้นมาคือมันมีเชื้ออยู่ข้างในล่ะพอกระทบหน่อยเนี่ยมันปึ้งขึ้นมาเลย ก, กนนูไม่อยากทำกับคนนั้นไม่อยากทำกับคนนี้กูอยากคือมันจะหลบไปเรื่อยเราไม่สามารถที่จะทำจิตเราเนี่ยให้มันอ่อนโยนลงไปได้แต่เราจะสะสมมันแข็งขึ้นแข็งขึ้นเป็นอัตตาตัวตนขึ้นเราก็ไม่รู้จักมันนั้นถ้าเราไม่สังเกตว่าเราติดอารมณ์อะไร <c oughs> อะไรที่อยู่ในใจเนี่ยเวลาปฏิบัติทำเราจะจะหาแต่ความสงบนะเราจะหาแต่ความสงบ อยังอยู่ความสงบอยากเสพบความสงบอยากสบายเหมือนเราเสียบความขี้เกียจขี้คลานนั่นแหละวัดตรงไหนว่าเราไปเสพบความสุดวกสบายก็วัดตรงที่ว่าเวลามันอยู่เข้าคนเนี่ยไม่ได้เล ย, เยงุนหิดง่ายอารมณ์เสียง่ายแต่ถ้าอยู่คนเดียวเออทำได้ทำเรยเรื่อยเรื่อยร่ ย, ร ย, ร ย, รยแต่พอเจอคนเนอะใช่ไม่ได้เลยสมาธิสติอะไรล้มระนีระนาดไปเอ๊มันไม่เข้มแข็งนะเนี่ยมันจะนึกออก เพราะอะไรเพราะว่าตอนทํานี่เราเราไม่ได้เห็นว่านิสัยเราติดอะไรโอ้ตัวนี้ยังอยู่นะเนี่ยขจิตเราเอาไปทําความเพียรเพียรความเพียรก็เวลาก็จิกจี้ลงมาตรงจุดที่มันเป็นนั่นแหละเราเพียรพยายามดูจากจุดที่มันเป็นเราดูมันออกไหมมันเป็นอ๋อมันเป็นอารมณ์มันี้นะนี่ก็ดูมันแลมันยังไม่ออกนะนี่มัวยิดดูได้เรื่อยเรื่อ ย, อยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นภายในหนึ่งวันสองวันห้าวัน สิบวันเจ็ดวันอะไรประมาณนะี้อาจจะเป็นเดือนทําความเพียรนี่ยไปมันถึงจะหลุดออกแต่บางทีเราเข้าข้างของมันเวลาเราเป็นมากแล้วก็ติดอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นตัวตัวเราก็มากขึ้นมากขึ้นทุกทีนะโทสะก็ตามมาแล้วทีเนี้ยความเกลียดความชังตามมาในที่สุดเราก็ติดออกมันจากมันไม่ได้กลายเป็นทุกข์ทันดีเลย เป็นทุกคนนี่เป็นอย่างนั่นคนนั่นเป็นนี่มาขึ้นมาเดี๋ยวมันเป็นภาพขึ้นมาแต่นั้นต้องรู้นะรู้หน้าที่ตัวเองเหมือนกําลังรถเราเนี่ยมันจะข้ามเนินอันนั้นเนินอันนี้เนี่ยมันพอไหวไหมคือข้ามไปสู่ที่พักที่พักมันก็มีคือความเป็นอนัตตาเนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกอย่างทุกอารมณ์เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยอ ให้เห็นทุกข์ให้เห็นทุกข์แล้วอย่าเป็นอย่างอื่นนะมาทูบบางทีบางคนไม่เข้าใจเห็นทุกข์แล้วอยากได้สุขเห็นทุกข์แล้วอยากได้สุขอยากเสพสุขเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะเวลาทรรมเนี่ยเห็นทุกข์แล้วให้เห็นอันนี้จังอันนี้ยังคือความเสื่อมนั่นแหละทุกนี่มันเสื่อมลงมั้งไหมว่ามันทุกข์นะเนี่ย ดูความเสื่อมมันวันนี้ขี้เกียจก็ขี้เกียจกูก็เป็นทุกข์นะเนียอืมความเบือ่อความหน่ายความขยันเนี่ยเป็นทุกข์นะบางทีมันติดอารมณ์หมู่คณะนะพราะพระุทธเจ้าก็จะบอกว่าอาคนใดก็ตามติดอารมณ์โกรธชังพยาบาทหมู่คณะบุคคลนั้นชื่อว่าห่างจากพระธรรมเหมือนฟ้าไกลดินบางทีมันก็คิดนะคิดอยากซ้อนอยากบอกอยากกล่าวบางนี้ คือมันแฝงมาเราก็ไม่รู้เท่าทันเวลาถูกเขาตอกกลับเป็นทุกข์เราไม่รู้จักบางทีเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนโน้นคนนี้ประมาณนั้นนะเป็นพระเป็นเนรเราเมื่อที่สอนะโยมแต่เวลาโยมตอกกลับเจ็บทุกข์มากนะเพราะอะไรเพราะว่าในมุมที่โยมเขาใช้ตอกกลับเราเนี่ยเราไม่เคยทดสอบทดลองมันทั้งทีนะี่ ถ้ารู้รูสึกว่ามันเจ็บน้ะแผลเนี่ยเราก็ไปแก้ไขปรับปรุงชําระล้างมันออกคือทําให้มันสะอาดนั่นเองเออในมุมนี้ก็ไม่เจ็บแล้วนะมุมนั่นก็ไม่ปวดนะเนี่ยคือดูบ่อยๆแบบเนี้ยจิตมันจะสว่างขึ้นมันโล่งขึ้นอืมันสบายขึ้นบางทีเราทําอะไรก็ตามบางทีมันมีความรู้สึกว่ามันอยาก ให้คนเห็นความสำคัญเราอ่ะบางทีเราไม่ใช่มีมความรู้สึกว่าทำเพื่อทำหน้าที่ชำระล้างใจขณะนี้ทำหน้าที่ชำระล้างใจแต่ตอนนี้เราก็ทำแบบนี้ด้วยแต่ทำแบบ น, นี้ทำแบบนั้นก็ทำเพื่อชำระล้างใจจุดมุ่งหมายเราทำเพื่อนิพานเพื่อดับเพื่อเย็นเพื่อสงบแต่บางทีจิตมันไปตั้งความหวังไว้อย่างอื่นนะตั้งความหวังไว้อย่างอื่น อยาได้ความเห็นอกเห็นใจอย่าให้คนเห็นประโยชน์เห็นศรัทธาเห็นความสามารถเราอะไรประมาณนี้คือจิตมันไปน่นนะนะพอมันตั้งจิตไว้ผิดมันมีความหวังลึงลกๆไงก็จะกลายเป็นความน้อยใจเนตัวน้อยใจเนี่ยสำคัญนะที่คนหนีไปน่นหนีไปนี่นและนู้นนี้บางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการอยากไปศึกษาเรียนรู้อะไรนะบางทีเกิดเพราะความน้อยใจ แต่ความน้อยใจสักพักเดี๋ยวมันก็หาย ม, มันก็หายฉันบอกเอออยากอยู่ก็อยู่นะพี่สูงผู้มาแล้วในที่ตั้งสี่มาแล้วจะอยู่ให้สบายเธอถ้าไม่สบายจะไปก็ไปแต่ปรารถนาจะมาก็มาเพราะอะไรมันเหมือนต้องให้อภัยอยู่เรื่อยจิตอันนี้มันเป็นธรรมดานะเวลารู้เต่าทันมีความละอายแต่บางคนเวลาจะไปเนี่ย แสดงอาการงนหยิดอาการเหมือนรู้อย่างโน้นอย่างนี้นะเท่าทันแบบนั้นแบบนี้เหมือนคนเองเป็นคนฉลาดนะแต่พอไปไปหาที่โน้นที่นี่ไปปฏิบัติแล้วเกิดว่ามันมีความรู้สึกมันไม่ดีเท่ากับที่เดิมหรือดีแต่อยากกลับมาก็กลับมาไม่ได้เพราะอะไรเราแสดงสิ่งที่มันไม่ดีเกิดมีความละสุดท้ายทั้งละอายอาการอาการที่เราเคยเป็นเนีี่้ คือเวลามันแฝงมาเราไม่รู้ทันมันอ่ะนะบางทีอยู่ทั้งวันอย่างว่าเอ๊ะโลภก็ไม่มีนะโกรธก็ไม่มีหลงก็ไม่มีเราคิดเองนะหลงที่มันใหญ่ๆตัวโ ต, วตวแต่มันเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราไม่รู้จักหลงเข้าไปในความง่วงเนี่ยหลงปรุงแต่งหลงสําคัญมั่นหมายตัวตนในเนี้ยมันไม่มีเราไม่เห็นมัน แล้วเวลาตื่นมาเนี่ยต้องมองแต่ดีวจะมองไปทั้งไหนดีอ่ะมองเข้ามาข้างในอ้าวมีอะไรในใจอคู่บัดสร้างจังหวั ด, ดีดีเมื่ อ, อไรมันจะหายง่วงสักทีเนี่ยทำให้มันตื่นนะคือเราต้องรู้มันก่อนสตินี่ต้องไหวเขาเรียกว่าสาระะต้องไวไวก่อนที่พวกนี้จะเกิดอย่างที่บอกเมื่อกี้นะเห็นทุกข์ขัง คนมองงูเนี่ยเป็นยังไงมองงูเคยเห็นไหมเวัางูเห็นงูปุ๊บนึกตันทีนะเฮ้นี่งูแล้วมันจะเกิดความกลัวของเรามันจะกัดเราอ่ะมันมองไปก่อนว่างูนี้มันจะกัดนะเนี่ยมันจะหลีกไปเพราะนึกภาพว่าเป็นงูมันจะกัดแต่เด็กน้อยเนี่ยมันไม่กลัวนะงูโอ้ยสนุกเนอะงูนี่มันดูแล้วสวยงามนะเพลิดเพลินอยากเล่นกับงูอย่างเงี้ยเห็นงู เราจะนึกภาพมัน อ, อกในอนาคตทันทีเลยภาพงูมีพิษนะเนี่ยไปอยู่ใกล้มัน ม, มันจะกัดเนี่ยเห็นหมาเอาระวังนะเนี่ยหมาเดี๋ยวมันกัดนะเห็นเสือเนี่ยเสือจะกัดนะคือจิตมันจะเป็นอย่างนั้นนะเห็นความคิดขึ้นมาเห็นความง่วงขึ้นมาเอาไม่ไดรนี่มันแว บ, บมาแล้วเนี่ยเป็นทุกข์ขังแล้วเนี่ยนะ เห็นหรือยงมันเป็นทุกขงังเห็นแล้วมันง่วงมาทำไงอันนี้จังอย่าสู้มันตรงๆอย่าเดินเข้าไปใกล้มันเดินหลีกๆไปเนี่ยอันนี้จังคือหลีกไปอันนี้จังคือเห็นแล้วว่ามันเป็นทุกข์อย่าไปยุ่งกับมัน่ะดูมันและเห็นอาการของมันเองเป็นอันนี้จังอ้าวแปเปลี่ยนไปแล้วขารวะกระทบปุ๊บทุกคนเห็นปุ๊บกระทบปุ๊บ แล้วดับไปกระทบปุ๊บระดับไปเห็นทุกเมื่อก่อนเห็นทุกเราทุกตั้งอยู่ทุกขังอนิจจังอนัตตาทุกขังอนิจจังอนัตตาเห็นอนิจจังไห ม, มความง่วงเป็นอนิจจังความคิดเป็นอนิจจังสัพักมันก็อนัตตาอา้าดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเองถ้าคนไหนที่ผ่านอารมณ์รูปนามมาสติ มันเกิดการตื่นขึ้นมาสักสองสามครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นปรมาทิติกรนะะทบรูปจะเหมือนวัตถุอะไรสักอย่างนี่ยกระทบปุ๊บกระทบทางอารมณ์ปุ๊บกระทบใจเพราะว่าถ้ารู้ภาวะอันไรแน้ะคือเหมือนสติมันตั้งมันจิตตั้งมันเลยไม่ค่อยคิดวั น, ว, นวันหนึ่งอยู่ๆก็เกิดกระทบปุ๊บเรามีตัวปรมาทคอยเห็นนะถ้าคิดขึ้นมาเราไมันด้เห็นนีสภาพ ก็เป็นอาการดับหายสลายไปมันหายไปเป็นอาการกระทบปุ๊บแล้วสั่นแล้วดับกระทบปุ๊บสั่นรับรู้ได้แล้วดับกระทบปุ๊บรู้ได้รับได้แล้วดับไปคืออันนี้ยังทุกข์องอนัตตานะี่ยแต่เขาจะเรียงลําดับวันจผ่านอันนี้มานี่รู้แบบนี้อาการนี้ที่มันดับไปไวเนี่ยเขาเรียกว่าวัตถุปรมัติอาการวัตถุปรามาติอาการเป็นปริมุขขังสติงอุปัเตเปตวา มีสติรู้ซึ่งซึ่งหน้าสติ ร, รู้ได้เฉพาะหน้านะ่ะซึ่งซึ่งหน้าคือสู้กับความคิดได้ซึ่งซึ่งหน้าคือความคิดกระทบปุ๊บกระดับได้ความคิดท บ, บกรดับได้นี่เขาเรียกว่าปรมัติมันดับได้เองนะพวกนี้ยังจะมีความโลภความโกรธความหลงนะแต่มันจะจางลงจางลงจางลงรู้แต่ว่ามันไม่ดับสนิท แต่กระทบแล้วกระดับได้กระทบแล้วกระดับได้เป็นเล่้เป็นมักของอารมณ์แบบหนึง่งเห็นการเกิดดับไปของสังขารการปรุงแต่งเนี่ยมันปรุงแต่งอยู่แต่ดับได้พอดับได้ฉะนั้นถ้เห็นมันบ่อยๆทำตัวประมัดเนี่ยให้ตั้งมั่นให้ได้ความปรากฏขึ้นของวิปัสนาญาณคือการรู้ที่ทำไม่เกิดภาวะต่างเก่าล่วงภาวะเดิมเนี่ยจึงจะปรากฏเกิดขึ้น อตอนนี้ดับได้ดับได้ดับได้ดับได้ดไดเอาชุดทั้งหมดแล้วดับไม่เกิดนชื่อว่าเรากําลังทํางานดับดับขันห้าถามว่าตอนนี้เราเฉยเฉยเนี่ยมีอะไรไม่เนี่ยตอนเนี้ยตอนเรานั่งเนี่ยไม่มีนะรูปขันก็ไม่มีมีมีแต่รูปธาตุนเนี่ยรูปประขันไถึงรูปความคิดก็ไม่มี ไม่มีรูปขันเวทนามีไหมไม่มีพอใจไม่พอใจไม่มีสัญญาความจําไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีเขาเรียกว่าเราดับขันห้ามันไม่มีมันเหมือนฟืนน่ะขันห้าในเหมือนฟืนเวลามาสมกันเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจุดไฟติด ป, ปุบขึ้นมาดับไฟปุป๊บเอาฟืนก็คือฟือน รูปเวทนาสัญญาสังขารพอมาก่อกันเป็นอาการของความร้อนเป็นไฟเป็นความสว่างเป็นอะไความร้อนที่เกิดขึ้นความสว่างเกิดขึ้นมีควันเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลผลิตของการเอาไม้มาถูกันเกิดปฏิกิริยาทีนี้ให้เรารู้เฉยๆให้มีการรับรู้เฉยๆถ้ารู้เฉยๆมันก็ดับไปรับรู้เฉยๆมันก็ดับไปรูป กระทบรูปกระดับคือตรงมาที่ตรงนี้ทเถอะทุกขังอะไรกระทบเป็นทุกเป็นทุกเป็นทุกทุกเกิดสั้นยาวถ้าเกิดยาวก็หนึ่งชาติยาวๆชาตินี้อายุยืนมากเนี่ยถ้ากระทบไม่นามากเดี๋ยวก็ดับก็าชาตินี้สั้นเนี่ยแล้วแต่มันจะสั้นยานเป็นพบน้อยพบใหญ่เขาเรียกเป็นพบ มันสั้นๆเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปอเมื่อเรารู้จักมันโอ้มันเกิดมันดับไปอย่างนี้เนาะให้เป็นทุกขังอนิจจังทันทีเห็นแล้วเป็นอนิจจังอืกลายไปสู่อนัตตาทันทีจนทั้งว่าเออมันเป็นอนัตตาถาวรแล้วนั่นถามว่าขันธ์ห้าอันนี้มันมีอยู่ไหมเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าบางครั้งต้องปฏิบัติเพื่อดับขันธ์ห้า แต่บางทีเขบอกว่าออรูปเวธนัสัญญาสงขารวิญญาณก็มีอยู่ตอนนี้มันไม่มีนะมันเฉยๆจะเรียกว่ามีขันก็ได้ไม่มีขันก็ได้แต่เขาบอกว่าเป็นการดับอุปาทานในขันอือันนี้น่าจะถูกกว่าอะไรประมาณนี้ดับอุปาทานในขันคือความยึดอารมณ์ที่เกิดขันมันกระทบในมันผัสสะตาเห็นรูปก็เป็นธรรมดาหูได้ยินเสียงนะ ขดัมดามีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณแต่อย่าไปยึดเอาเอารูปอย่าไปยึดเอาเวทนาอย่าไปยึดเอาสัญญาสังขารวิญญาณมาเป็นตัวกูของกูเพราะมันก็กลายคืออัตตาอัตตนิยาเนี่ะพอมันเป็นตัวเป็นตนตมันก็นหนักอกหนักใจดีดีเนี่ยมันหนักอารมณ์ท่านึกบอกว่าเอาให้เห็นเป็นรูป เกิดดับเฉยเวทนาเกิดดับสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับถ้าเห็นแบบนี้ปุ๊บเอาความปกติจะปรากฏเกิดขึ้นในจิตพอมีความปกติปรากฏเกิดขึ้นเขาเรียกว่าศีลปรากฏเกิดขึ้นศีลคือความปกติเป็นศีลขันเป็นสมาธิขันเป็นปัญญาขันปรากฏในใจศีลก็มีสมาธิเวทนาสัญญาสังขารวิญญามีศ <tr ue esar> <so> ีลเวทลาสัญญาสังขารวิญญาณมีสมาธิเวทนาสัญญาสังขารมีวิญญาณ วเวียญาณมีปัญญาปรากฏเกิดขึ้นกระทบปุ๊บกเกิดของเข้าใจอะไรก็เข้าใจอืเดี๋ยวมีสมาธิมีปัญญาผู้ใดมีสมาธิชื่อว่ามีปัญญามีปัญญาผ้นั้ชื่อว่ามีสมาธินี่ผู้ใดมีสมาธิผู้นั้นชื่อว่ามีศีลผู้ใดมีศีลผู้นั้นชื่อว่าจะมีสมาธิเนี่ยมันก็เข้ามาตรงประเด็นในเนื้อทันทีเพราะนั้นเวลาเราเฝ้าดูก็อืทำไงมันจะเห็นว่างู มีพิษนะความคิดมีพิษนะความรูงแต่งมีพิษนะความง่วงเนี่เป็นพิษนะเนี่ยที่หม่ที่จะเห็นถ้าเห็นได้แบบนี้ทุกมันก็น้อยแต่แต่เราไม่เห็นแบบนี้เราก็อย่างว่าแหละทำวัดสวดมนต์เราก็พระพุทธเจ้ามาเทศน์ให้ฟังอยู่แต่เราไม่รับเราง่วงสมวดสวดแต่บวดเขาเรียกว่าพุทธวจนะคือคําพูดพระพุทธเจ้าถ้าเราพูดเพราะ พระพุทธเจ้ามาพูดให้เราเราพูดผิดพระพุทธเจ้ามาพูดผิดให้เราเองนั่เราต้องตั้งใจอาศัยใจเตรียมพระธรรมเตรียมใจรับคําสอนแต่งกายวาจาใจให้ศาสตร์กันที่เรานั่งสั่งจังหวะเดินจงกลมอย่างเงี้ยมันเป็นแผนประคองจิตตัวเราเองพร้อมน้อมรับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะอย่างจริงๆเลยเสร็จปุป๊บก็เออสิ่งที่พูดมาทั้งหมดส่วดมาทั้งหมดเนี่ยอืม รับรู้ได้ไม่รับได้บางคนเอาแค่กระทบผัสสะรู้ปิ้งเกิดการปล่อยวางนะความปล่อยวางเกิดขึ้นจะเกิดความเข้าใจทั้งหลายทั้งมวลโดยธรรมชาตนะิไม่ใช่ว่าสร้างจังหวะแล้วเรามานั่งแล้วก็หลับกันหลับกันไม่ใช่นะถ้าเป็นอย่างนี้ปัญญามันไม่วืาเอา้ามุทนานะ